ลำดับนั้นมูเทพยดาได้ทูลถามท้าวสักกะว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ไม่ปรากฏเสด็จไปไหนหนาเท้าวสักกะตรัสตอบว่าแน่ท่านผู้นิรุทุกความกังขาอันหนึ่งเกิดขึ้นแก่พระเจ้าเนมิราชกรุงมิถิลาข้าจึงไปกล่าวปัญหาทำให้เธอหายกังขาแล้วกลับมาก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว เท้าศักกะเทวราชเพื่อตรัสเหตุนั้นอีกด้วยคาถาจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาประชุมในที่นี้มีประเมินเพียงไรจงตั้งใจสดับคุณที่ควรพรนนาทั้งสูงทั้งต่ำเป็นอันมากนี้ของมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมอย่างพระเจ้าในมิราชนี้เป็นบัณฑิตมีพระราชประสงค์ด้วยกุศล พระองค์เป็นราชาของชาววิเทหรัฐทั้งปวงทรงปราบข้าศึกพระราชทานไตยธรรมเมื่อพระองค์ทรงบริจาคทานอยู่นั้นเกิดพระดำริขึ้นว่าทานหรือพรหมจันท ร, ร์อย่างไหนมีผลมากหนอบรรดาคําเหล่านั้นคําว่านี้อิมังความว่าท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับคือจงฟังซึ่งคุณที่ควรพนานา สูงด้วยอำนาจศีลต่ำด้วยอำนาจฐานเป็นอันมากนี้ของมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมคือผู้มีกัลยาณธรรมอันเรากล่าวอยู่คำว่าอย่างพระเจ้าในมิราชนี้ยะถาอะยังความว่าอย่างพระเจ้าในมิราชนี้เป็นบัณฑิตคือเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง ท้าสักะเทวราชตรัสคุณที่ควรพรนานาของพระเจ้าในมิราชอย่างใดไม่บกพร่องด้วยประการชนิ์มูเทวดาได้ฟังเท้าเธอตรัส ด, ดังนี้ก็ใครจะเห็นพระเจ้าในมิราชจึงทูลว่าข้าแต่มหาเทวราชพระเจ้าในมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกข้าพระเจ้าพวกข้าพระเจ้าตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายใครจะเห็นพระองค์ขอองค์มหาเทวราชเชิญเสด็จพระองค์มาเท้าสักกะเทวราชทรงรับคำจึงมีเทวบัญชามาตลีเทพสารถีว่าท่านจงเทียมเวชยันตรถไปกรุงมิถิลาเชิญเสด็จพระเจ้าในมิราชขึ้นทิพยานนำเสด็จมาเทวะสถานนี้ มาตาลีเทพพบุตรรับเทพพระองค์การแล้วเทียมเทพพรถขับไปก็ปเมื่อท้าวศักกะมีเท พ, พดํารดอยู่กับเทวดาทั้งหลายตรัสเรียกมาตาลีเทพสารถีมาตรัสสั่งและเมื่อมาตาลีเทพสารถีเทียมเวชยันตราชรดล่วงไปหนึ่งเดือนโดยกำหนดนับวันในมนุษย์เมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลในวันเพ็ เิดีหะบัญชรด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนักคณะอมาแวดล้อมทรงพิจารณาศีลอยู่เวชยันตราชรถนั้นปรากฏพร้อมกับจันทรมณฑ น, นอันขึ้นแต่ปราจีนโลกธาตุชนทั้งหลายกินอาหารเย็นแล้วนั่งที่ประตูเรือนของตนของตนพูดกันถึงถ้อยคำอันให้เกิดความสุขก็พูดกันว่า วันนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวงลำดับนั้นเทพรสนั้นก็ได้ปรากฏแก่ประชุมชนผู้สังสนทนากันอยู่มหาชนกล่าวว่านั่นไม่ใช่พระจันทร์รถนะในเมื่อเวชยันตรถเทียมสินทบนับด้วยพันมีมาตาลีเทพบุตรขับปรากฏแล้วในขณะนั้นจึงคิดกันว่าทิพยา น, นี้มาเพื่อใครหนอ ลงความเห็นว่าไม่ใช่มาเพื่อใครอื่นพระราชาของพวกเราเป็นธรรมิกราชองค์ศกะเทวราชทรงมาเพื่อพระราชานั้นนั่นเองเทพรสนี้สมควรแก่พระราชาของพวกเราแท้เห็นฉะนั้นแล้วก็ร่าเริงยินดีกล่าวคาถาว่าเกิดพิศวงขนพองขึ้นในโลกแล้วหนอรถทิพ ป, ปรากฏแก่พระเจ้าวิเทหราชผู้มียศ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพิศวงอัพพูโตได้แก่ไม่เคยมีแล้วอีกอย่างหนึ่งได้แก่อัศจ ร, ร์ประชาชนกล่าวอย่างนี้ด้วยความพิศวงก็เมื่อประชาชนกล่าวกันอย่างนี้มาตลีเทพพบุตรมาโดยเร็วกลับรถจอดท้ายรถที่พระศีหบัญชรทำการจัดแจงที่ให้เสด็จขึ้นแล้ว ได้เชิญพระเจ้าในมิราชเสด็จขึ้นทรงพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าเทพบุตรมาตลีผู้เป็นเทพสารถีมีฤทธิ์มากอันเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหรัฐผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้ เทพเจ้าดาวดึงพร้อมด้วยพระอินใครจะเห็นพระองค์เพราะเทพเหล่านั้นระลึกถึงพระองค์นั่งกล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์อยู่ณนะเทพสภาชื่อสุธรรมาบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลามิถิลักขพหังความว่าผู้มีปราสาทประดิษฐานอยู่ในกรุงมิถิลา ทรงสงเคราะห์ชาวมิถิลาด้วยสังคหวัตถุสี่คำว่านั่งกล่าวสรรเสริญคุณอยู่สมัติชะเรความว่านั่งกล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์พระเจ้าในมิราชได้ทรงสดับคำนั้นมีพระดำริว่าเราจะได้เห็นเทวโลกซึ่งยังไม่เคยเห็นมาตลีเทพประบุจากสงเคราะห์เราเราจักไป ตรัสเรียกนางในและมหาชนมาตรัสว่าเราจะไปไม่นานนักท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงกระทำบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นตรัชนีแล้วสเสด็จขึ้นที่พยรถพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหรัฐผู้สงเคราะห์ชาวมิถิลาผู้เป็นประมุก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 บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้เป็นประมุขปะมุโขความว่าเป็นผู้สูงสุดหรือเป็นหัวหน้าทรงหันพระปริสดารต่อมหาชนแล้วเสด็จขึ้นคําว่าทางไหนเยนะวาความว่าบรรดาทางเหล่านี้คือทางที่บุคคลไปแล้วสามารถเห็นสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปหนึ่ง ทางที่บุคคลไปแล้วสามารถเห็นสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทาบุญหนึ่งจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จทางไหนก่อนมาตลีเทพสารทีนั้นแม้เท้าสักกะไม่ได้สั่งถึงข้อนี้ก็ทูลเพื่อแสดงถึงความวิเศษแห่งความเป็นทูตของตน